วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าดับแต่มันเป็นสิบห้าค่ำแต่ไปเดือนเก้าดับเป็นปักขาดวันในตรงกับวั น, วนที่สิบห้ากันยายนพุทธศักราช25งพหห้าสิบห้าเป็นวันลงอุโบสถเราฟังอุโบสถจบโรงสักครู่นี้ อันนี้คือสิทธิและวินัยพวกชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองชุมชนในกลุ่มนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ปิดผึกแผ่นไม่เป็นไม่มั่นคงผู้ที่เป็นหัวหน้าเผ่าก็จะต้องมีกฎกติกาและกฎเกณฑ์ในการปกครอง ของเผ่าหรือกลุ่มของเขาแต่ละประเทศก็เช่นเดียวกันที่เขาเจริญแล้วเขาก็ตั้งกฎหมายขึ้นมาเพื่อปกครองประเทศของเขาแต่ละประเทศมีความไม่เหมือนกันบางประเทศก็มีความจําเป็นอย่างหนึ่งแต่ประเทศหนึ่งมองดูแล้วไม่จําเป็นแต่ประเทศหนึ่งจําเป็นคือมันแต่ละประเทศของเขามีความจําเป็นในประเทศ ในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันมีกฎหมายคุ้มครองการบริหารการจัดการการอยู่ด้วยกันแะนีนพวกเราพุทธศาสนาประทมคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ได้ประกาศพระศาสนาออกมาเพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ก็จะต้องมีกฎหมายระวางคุ้มครองพระสงฆ์ ธรรมบริษัทของพระองค์คุ้มครองพุทธบ ร, ร, ริษัทของพระองค์ถ้าเป็นครวัตญาตโยมก็ให้มีศินห้าหรือศิลอุโบสถอุโบสถศินคือศินแปดสมณเณรก็คือกฎหมายคุ้มครองสมณเณรก็คือศินสิบพระสงฆ์เป็นแนวหน้าเป็นผู้นําของพุทธบ ร, ริษัทพระสงฆ์ต้องมีมีสินสอยยี่สิบ แล้วยังมีศินมรยาท์อีกสิลมรยาทคือศิลอภิสมาจารมีมากถ้าพวกเราศึกษาแล้วคือศิลอภิสมาจาร์ันมีมากสรุปแล้ว ค, คือเกี่ยวกับมรยาท์การเป็นอยู่เกือบทั้งหมดแต่ศินสอยยี่สิบ็นั่นคือศินที่เป็นข้อห้ามการอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขไม่ให้กันแกล้งกันไม่ให้หอกล้อกัน ไม่ให้กระทำผิดในธรรมและวินยัยหรือว่าการอยู่ด้วยกันโลกวัชชะคือโลกติเตียนก็บรญญัิวินัยทรมวัชชะคือทมติเตียนก็มีโลกวัตชะก็คือโลกติเตียนคืออย่าง พระกฎ ด, ดินฟันไม้อย่างนี้แนหะถ้าพวกเราศึกษาในวินยัยเราจะรู้ได้ว่าอันไหนอันไหนโลกวัชชะโลกเขาติเตียนอันไหนธรรมวัชชะธรรมติเตียนธรรมวัชชะก็คือภิกษุฆ่าสัตว์เน่ยภิกษุฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยอันนี้ก็คือทำติเตียนพราเป็นการเบียดเบีย น, นผู้อื่นแล้วว่าภิกษุฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อย่างเนี้ย รัวการเบียดเบียนด้วยการขโมยอย่างนี้มีมากในศีลและวินัยของพระพุทธเา้าถ้าพวกเราศึกษาเราจะแยกแยะออกศึกษาในรายละเอียดแล้วอันไหนธรรมวัชชะอันไหนโลกาวัชชะโลกาวัชชะคือโลกติเตียนธรรมวัชชะคือธรรมติเตียนเพราะนั้นพวกเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องเป็นผูน้มีศีลมีศีลมีวินยัย ถ้าพวกเราไม่มีสินไม่มีวินัยคุ้มครองก็เหมือนพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎระเบียบแต่คนอยู่ด้วยกันด้วยไม่มีกฎระเบียบพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าชุมชนในกลุ่มนั้นเขาจะอยู่ได้ด้วยวิธีอย่างไรถ้าใครมีอำนาจเหนือกว่าคนนั้นก็ใช้อำนาจข่มเหงหรือลังแกกด้อยกว่าก็ต้องมีผู้มีอานาจผู้ใด เข้ามาเป็นผู้ชี้ขาดตาจากไม้ก่อนก็คือพระจ้าแผ่นดินแต่ทุกวันนี้ก็มีระดับก็คือพิพากษาคือได้แต่งตั้งนอนไว้แต่ที่ฝ่ยพระสงฆ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันถ้ามันผิดมีอธิกรณ์เกิดขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้วินิจฉัยท่านมอบให้สงฆ์สงฆ์ตั้งแต่เสียรูปขึ้นไป เป็นผู้วินิจฉัยคดีคดีความแล้วก็ต้องหาทันผู้รู้ว่าคดีนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะวินิจฉัยอย่างไรอันนี้ก็ต้องทุกวันนี้เราก็ต้องอ่านเอาพระไตรปิฎกมาศึกษาแล้วก็อ่านพูดตัดสินตามพระวินัยมีอยู่แล้วปีงตัวหนังสือบอกวินัยของพระพระพุทธเจ้าบัญญัติละเอียดอยู่แล้วในวินัยนั้น อันนี้ก็คือวิไนคือศินของพระอันนี้มองเห็นได้นนคือกฎระเบียบเพราะนั้นให้พวกเราท่านหลายศึกษาแต่ใหญ่ถึงยังไงก็ตามเมื่อศึกษารู้แล้วว่าอันนี้คือมันผิดศินมันผิดวิไนมันผิดกฎระเบียบมันไม่ถูกต้องโลกกวัชชะโลกตีเตียนทำมวัชชะรมตีเตียนพวกเรากขยา อยากไปทำในเรื่องเหล่านั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเป็นพระเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสกอุบาสิกาผู้ให้การสนับสนุนแต่ถ้าเราทำตนไม่ดีเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เขาลบนับถือเลื่อมใสและศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร เราก็จะไปทรมาค้าขายกินเองใช้เองก็ผิดหลักๆพระธรรมวินัยอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่เพราะฉนั้นการอยู่ของเราต้องดูให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไปแล้วว่าถ้าหาว่าภิกษุใดก็าตามอยู่ในธรรมและวินยัยอยู่ในศีลและวินยัยไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวยากไม่ต้องกลัวลําบาก เทวดาไม่เห็นมนุษย์ไม่เห็นเทวดาจะเห็นจะอยู่ด้วยความผาสุกเพราะว่าทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเพราะนั้นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนี้พวกเราอย่าไปคิดว่ามันจะอดยากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมอยู่ที่นี่ พวกท่านได้ทำไร่ทานาที่ไหนแต่พวกเราอยู่ในศิลศิราจารวัตคณะศัทธา ญ, ญาติโยมพุทธ บ, บริษัทเขาเขามาทำบุญไกลแสนไกลเขาหั่้งรถมานั่งเครื่องมามาทำบุญเขาอยากจะได้บุญนี่ละพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากจริงไหม เนี่ยละให้พวกเราท่านทั้งหลายจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามอยู่ณเวลาไหนก็ตามอยู่ตามลำพังก็ตามอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ตามอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้ามันทำผิดทำวินัยแล้วพระธรรมจะไม่รักษาผู้ปฏิบัติผู้ทำความชั่วพระธรรมจะไม่ดูแลคนที่ทำความชั่วประพฤติชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเพราะนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่าทมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุ้มครองตัวของเราเราร่มเย็นเป็นสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในสิน่แล้วคนมาย้อนถามพวกเราอีกว่าการบวชของเรานี่เราบวชมาเพื่ออะไรให้ถามตัวเองบวชมาคราวนี้บวชมาเพื่ออะไรในชาตินี้เราบวชมาเพื่ออะไรแต่สําหรับผมผมเองผมมอบคายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีในหลักพระธรรมวินัยผมจะทำอย่างนั้นถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผมจะเล่าเว้นในเรื่องเหล่านั้นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขภายนอกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกเท่านั้นเองอีกสักวันหนึ่ง สิ่งภายนอกเหล่านั้นมันก็จะหมดไปอะไรคือความสุขที่แท้จริงของคนอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อันไหนคือความสุขที่แท้จริงของพระคือนักบวชอย่างพวกเราสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพิเคาะดูตรวจตราดูอันไหนคือความสุขกินนอนพูดคุยตามสบายอย่างนั้นใช่ไหมความสุขมันไม่ใช่ ความสุขของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงของเราเราต้องแสวงหาด้วยตนเองนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจิตใจรวมเป็นหนึ่งไม่ปูงไม่พุง้งจิตใจอยู่ในธรรมเราจะได้รับความสุขนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นเมื่อพวกเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจจิตใจของเราไม่ปูงไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกจากนั้นก็นำมาพิจารณากันกล้องไตรตรองเหตุและผลว่าเราพิจารณากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้กรรมฐานห้า อ, อย่างเนี่ยากายคตาสติที่มอบหนังสือให้เมื่อกี้เนี่ยพิจารณาดูสิอันนั้นคือพิจารณาตามความเป็นจริง ถ้าคนตายแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายของคนเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในเมื่อตายไปแล้วมีดสับกวนฟันเอาไฟเผามันก็ไม่มีไม่ความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายสังขารเป็นตัวตนของเราใช่ไหมร่างกายอันนี้ในอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายแน่นอนไม่มีใครรับประกันได้ว่าวันไหนใช่ไหมสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรา พิจารณากานกรองด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาไว้อยู่เสมอมหกา ย, ยักตาสติให้พิจารณากาย เ, าเมื่อพิจารณากายแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่หลงจะไม่หมัวเมาจะไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพวกเราท่านทั้งหลายก็จะปฏิบัติ ต, ตามนั้นให้ถูกต้องตามหลักธรรมพินัยตามหลักธรรมคำสอนแล้วก็ ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้คิดยังไงให้ปฏิบัติยังไงทางภายนอกเตื่องกายเราจะอยู่ใ น, ในกายสํารรมกายอย่างไรสํารรมวาจจอย่างไรและส่วนใจนั้นพระพุทธเจ้าให้อยู่อย่างไรให้สํารวมใจยังไงเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างไรให้การกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างไรให้พวกเราฟังและศึกษา ผมได้พูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งทุกกี่หนให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือทำคําสอนของพระพทุทธเจ้าหรือได้อ่านดูในกายกายคตาสติเนี่ยนะพวกเราจะศึกษาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะไม่เบือ่อมากก็ต้องเบื่อน้อยไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยแหละจะให้อยู่นิ่งๆเฉยเป็นไปไม่ได้เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วเราจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นก็ที่เร่งสั่งสมคุณงามความดีเพราะตายแล้วไม่สูญนะพวกเราท่านทั้งหลายนะคิดดูให้ดีนะอนาสอนกระวาดเขาผมก็ยังสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะให้พวกเรานั่งสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจของเรารวมเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองนี่แหละการเป็นมาทั้งนี้ทางนั้น ที่พูดมาถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นมาด้วยศีลและวินยัยถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลไม่มีวินัยคุ้มครองไม่อยู่ในศีลและธรรมแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันแบบป่าเถื่อน ด, ดูด้วยกันแบบสัตว์สาราสิงไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีหลักพระธรรมวินัยคุ้มครองพวกเราอย่าหวังเลยเรื่องสมาธิจะเกิดขึ้น แล้วปัญญาจะตามมาจะเกิดขึ้นด้วยปัญญาพณิขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มักมุก่งมัน่นทั้งอกตั้งใจอย่าไปมุ่งหวังอะไรในพรรษานี้นี่ก็เดือนกว่าแล้วพวกเราเข้ามาให้เราทบทวนดูว่าเรามาเดือนกว่านี้เราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างเข้ามาเดือนกว่าเนี่เรื่องจิตใจได้ท่านได้รับความสงบแค่ไหนแล้ว เรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรได้บ้างตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะน้อมโอปัญิโกดูตนอยู่ตลอดสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้รู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออะไรจะให้ครูบาอาจารย์จะได้บอกได้กล่าวไปทุกวี่ทุกวันเพราะเราไม่ใช่เด็กเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยการทั้งนั้น อันไหนควรไม่ควรอย่างไรเรารู้แก่ใจไม่ใช่เราเด็กเห็นครูเห็นผู้ใหญ่มาก่อนทำท่ากลัวพอเห็นไม่เห็นแล้วกันนะดื้อด้านไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะหลักทําวินัยไม่ใช่ของจะดื้อด้านพวกเราควรสํารวมระวังอันนั้นคือไฟเราจะจับนบสถานที่ใดก็ร้อนเวลานั้นผิดเวลานั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อเข้ามาศึกษาได้ฟังธรรมหรือได้ปฏิบัติ ตามแนวแถวทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้พวกเราตั้งใจนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญถึงเราจะอยู่เราก็พาสุขเมื่อเราจะออกไปที่ไหนไหนเราก็พาสุขไม่มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราทำผิดแล้วมันร้อนใจนะพวกหมู่เพื่อนตั้งหลายนะไปอยู่ในสถานที่ใดมันร้อนอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันทำผิดนะทำไม่ถูกนะแต่เราทำถูกแล้วอยู่ที่ไหนร่มเย็นนะ ถ้าตอนนี้ไปส่วนท้ายปฏิโมค